ก็คือมูฆะปักขะจริยาก็คือเตมีเตมีใบ้พระเตมีใบะนะนีพระองค์เล่าให้ภาษาที่บทฟังอีกเรื่องหนึ่งว่าในการเมื่อเราเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากาสีชนทั้งหลายเรียกเราโดยชื่อว่ามูฆะปักขะกุมารบ้างมูฆะภักกะเนี่ยมูฆาแปลว่าบ้าใบเนี่ยนะพวกใบอ่ะแล้วก็เตมียักุมารบ้างในครั้งนั้นพระสนมนาง สนมนางนเนี่ยนะ 16, 000, ไม่มีพระโอรสคือพูดถึงว่าพระราชาที่สนมเยอะจริงแต่ว่าไม่มีใครมีโอรสเลยโดยวันคืนล่วงไปล่วงไปเราบังเกิดแต่ผู้เดียวพอเกิดมาก็แมมเป็นลูกคนเดียวนี้อะไรจะเกิดขึ้นบิดาก็รับสั่งให้ตั้งสเวตาชัดให้เลี้ยงดูเราผู้เป็นบุตรสุดที่รักแม่พ่อแม่เนี่รักจริงๆเลยนะทำทุกอย่างก็เพื่อลูกหมดเลย กะว่าบทสุดที่รักอันได้โดยยากเป็นอภิชาตจะบททรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองบนที่นอนมาโอ้ยหาที่รับที่นอนที่อยู่แม้กระทั่งที่นอนของลูกเนะี่ยต้องมีสเวตฉชัดให้นะต้องมีฉัดมีอะไรให้เพราะลูกเราจะได้อยู่อย่างสบายครั้งนั้นเรานอนอยู่บนที่นอนอันอ่อนนุ่มพอตื่นขึ้นมาก็เห็นสเวตฉชัดขึ้นมาก็เห็นสเวตฉชัดนึกออกเลยโอ้โนี่แหละประตูนรกอยู่ตรงนี้เองเหมนันนะนี พอเห็นสเวัสดิ์เข้าก็บอกว่าตัวนี้แหละคือเหตุให้เราไปสู่นรกความสะดุ้งหวาดกลัวก็เกิดขึ้นแก่เราพร้อมกับได้เห็นสเวัสดิ์ก็คืออะไรว่าอำนาจกับนรกมันอยู่ใกล้กันนั่นเองเพราะมีอำนาจนี่แหละสั่งตานาธิบาสั่งริบทรัพย์เป็นต้นเนี่ยนะฮะอำนาจนี้เป็นเหตุให้ล่วงอกุศลกรรมบทเกือบได้เกือบทุกข้อไปหมดเลยนะยังไม่ได้เกือบนะล่วงได้ทุกข้อเพราะนนัน้อำนาจคือสเวัสดิ์อันนี้แหละเป็นเหตุให้เราตกนรกเราก็เลย วินิจฉัยคิดว่าเมื่อไรหนอเราจรึงจะเปลื้องราชสมบัตินี้ได้เมื่อไรเราจะพ้นจากราชสมบัตินี้ได้นะตอนนั้นเด็กนะยังพูดไม่ได้เลยนะแต่ว่าอยาก <Okay. S 1> ทํำยังไงเราจะไม่ต้องเป็นเป็นพระราชามีราชสมบัติเท <Okay. S 1> พพทิดาผู้เป็นสายโลหิตคือเป็นแม่ในอดีตชาติของเราะนะมาในกาาก่อนคล้ายประโยชน์ต่อเรานางเห็นเราผู้ประกอบด้วยทุกขจึงแนะนําให้เราเนี่ยประกอบด้วยในเหตุสามประการว่า ท่านจงอย่าแสดงความเป็นบัณฑิตจงแสดงแต่ความเป็นคนโง่แก่ชนทั้งปวงชนทั้งหมดนั้นก็จะดูหมิ่นท่านประโยชน์ท่านจะมีได้ด้วยอาการอย่างนี้พันวิธีเดียวนะลูกที่ลูกจะพ้นได้ก็ต้องแสดงอย่าแกล้ง อ, อ, อ, อ, อย่าบอกตัวเองเป็นจริงว่าเป็นบัณฑิตแกล้งเป็นคนโง่ไปเลยลูกวหมือนกันที่จริงก็กหวังดีะนะเมื่อเทพธิดากล่าวอย่างนี้แล้วเราก็ได้กล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนนางเทพธิดา ข้าพเจ้าจะทําตามที่ตามคําที่ท่านกล่าวกับเราฉะนั้นเราเป็นผู้ปรารถนาประโยชน์เป็นผู้ใกล้เป็นผู้ใไขความเกลื้อกูลแก่ข้าพเจ้าแม่เทพธิดาครั้นเราได้ฟังคําของเทพธิดานั้นแล้วเหมือนดังได้พบฝั่งในสาครเหมือนอยู่ในทะเลเนี่ยนะเห็นฝังเนี่ยเห็นฝั่งก็ดีใจร่าเริงดีใจได้อธิษฐานองสามประการคือเราเป็นคนใบ้เป็นคนนวกเป็นคนง่อยเปรี้ย เว้นจากคติเนี่ยนะไม่รู้ที่มาที่ไปกลายเป็นคนใบ้คนหนวกคนเปรี้ยทําเป็นไม่ได้ยินอะไรสักอย่างอธิษฐานองค์สามประการนี่อยู่6ปีด้วยกันเอ่อสิบปีเนี่ยนทะนได้ยังไมรู้สิบหกปีครั้งนั้นเสนาบดีเป็นต้นตรวจดูมือเท้าลิ้นและช่องหูของเราแล้วเห็นความไม่บกพร่องเอคนอะไรนะไม่มีความบกพร่องเสียหายแต่กลายเป็น ใบหนวกเปลี่ยขนาดนี้โอ้ยคนกาลากัีชัดๆเลยนะทีนั้นชาวชนบทเสนาบดีและปุโรหิตทั้งกวงร่วมใจกันทั้งหมดพลอยดีใจการที่พระองค์รับสั่งให้นำเราไปทิ้งก็คื อ, คอพระราชาก็เลยสั่งเอาไปประหารนะไปขุดลุมฝังไปเลยเราได้ฟังความประสงค์ของเสนาบดีเป็นต้นนั้นแล้วก็ร่าเริงดีใจว่าเราประพฤติบาเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสาเร็จประโยชนแก่เราแล้ว ราชบุรุษทั้งหลายก็อาบน้ำให้เราให้ทาไลด้วยคล้องหอมสวมสวมมงกุฎราชาพิเศษแล้วมีสเสวตฉัตรที่บุคคลถือไว้กระทาประทักษิณพระ น, นครดำรงอยู่ในสเสวตฉัตรเจวันพอดวงอาทิตย์ขึ้นวันที่8นายสารถีก็อุ้มเราขึ้นรถไปยังป่านายสารถีหยุดรถไว้นะโอกาสแห่งหนึ่งก็ปล่อยรถเทียมมาพอพ้นมือก็ขุดหลุมเพื่อจะฝังเราเสียในแผ่นดิน พระมหากษัตริย์ทรงคุกคามการอธิษฐานที่เราอธิษฐานไว้ด้วยเหตุต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลา16ปีนี้อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานนะแต่เราก็ไม่ทําลายการอธิษฐานนั้นเพราะเหตุแห่งโพธิญาณคือคนที่ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์จะต้องทนได้กับทุกเรื่องนะเป็นคนที่มีความอดทนสูงได้กับทุกเรื่องเพราะฉะนั้นระยะเวลา16ปีที่พ่อเนี่ยทดลองทุกประการก็ มีความอดทนเต็มที่นะทำทุกอย่างก็เพื่อโพธิยานเราจะเกลียดพระมารดาพระบิดาก็หาไม่ได้ไม่ได้เกลียดพ่อเกลียดแม่อะไรหรอกเราจะเกลียดตนเองก็หาไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่รักพ่อรักแม่นะไม่ใช่ว่ารังเกียจตัวเองไม่ใช่ไม่รักตัวเองแต่พระสัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นแลเราจึงอธิษฐานองค์สามประการนี้ เราอธิษฐานองค์สามประการนี้อยู่16ปีผู้เสมอด้วยอธิษฐานของเราไม่มีนี้เป็นอธิษฐานบารมีของเราออธิษฐานบารมีเนี่ยนะหไอแรงอธิษฐานตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะนี่เป็นอธิษฐานระดับปรมาภบปรมีเลยย้อนกลับมาในอัธถาศาอธิบายตามลำดับคำว่ามูะปักผักกะกับเตมยะเนี่ยนะฮะอธิบายว่าคำว่ามูะผักขะเพราะอธิษฐานเป็นคนใบ้และเป็นคน ง่อยเปลี่ยทําไมจึงชื่อว่าเตมียะเตมียะแปลว่าอะไรเตมีเนี่ยเตมิยะเนี่ยนะก็เพราะพระโ พ, ะพธิสัตว์เนี่ยยังใจของพระราชาและอํามาตะเป็นต้นให้ชุ่มอันเกิดด้วยปีติและความรักอย่างยิ่งคือเรวสินเนหาอย่างแรงกล้าก็เลยเรียกชื่อว่าเตมิยะเนี่ยนะเตมียะแปลว่าเป็นที่อะไรนะเป็นที่ยังใจให้ชุม่มเป็นที่ปีติเป็นที่เ อ, อิบอิ่มเป็นที่ตั้งแห่งความรักก็เลยชื่อว่าเตมียะ ย้อนกลับมาเนี่ยนะว่าในอดีตเมื่อพระเจ้ากาสีครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระองค์นี้มีสนมหนึ่งหมื่นหกพันนางสนมเหล่านั้นไม่มีใครมีลูกหรือมีไม่มีบุตรมีธิดาแม้แต่คนเดียวชาวพระนครก็เกิดความเดือดร้อนว่าพระโอรสแม้องค์เดียวที่จะรักษาราชวงศ์ของพวกเราไม่มีเลยนะพระราชาแค่เป็นหมันอย่างนั้นนะก็เลยประชุมการทูลพระราชาว่าขอพระองค์ จงปรารถนาพระโอรสเถิดพระเจ้าค่าพระราชาก็ทรงรับสั่งกับสนมหมื่นกพันนางว่าพวกเจ้าจงปราถนาบุตรเถิดพวกสนมเหล่านั้นทําการบวงสวงอ้อนวอนพระจันทร์พระอาทิตย์เป็นต้นแม้ก็ปราถนาอย่างนั้นก็ไม่ได้บุตรนีนะเที่ยวขอร้องขอทั่วไปหมดอยากได้ลูกเนี่ยนะฝ่ายพระนางจันทาเทวีพระธิดาของพระเจ้ามัทราชอัคราเมหสีของพระราชานั้น นางนั้นสมบูรณ์ด้วยศีลพระราชาก็สั่งแก่พนางว่าแม้เธอก็จงปรารถนาโอรสเถิดในวันเพ็ญ น, นางรักษาอุโบสถระลึกถึงศีลของตนก็ตั้งสัจจะกิริยาว่าหากว่าเราศีลไม่ขาดด้วยสัจจะของเรานี้ขอให้เกิดโอรสเถิดเนี่ยนะปรารถนาจะมีลูกรักษาอุโบสถและตั้งสัจจะบารมีด้วยเดชแห่งศีล น, นั้นอาสนะของเท้าสักกะก็แสดงอาการเร่าร้อนเท้าสักกะก็รำพึงก็ทราเพตนั้นจึงคิดว่า เราจากอนุเคราะห์พนางจันทาเทวีให้ได้โอรสใครครวรถึงโอรสผู้สมควรแก่พระเทวีนั้นพระองค์นี้นก็เห็นพระโพธิสัตว์ผู้ประสงค์จะอุบัติในดาวดึงพิภพหมายคือว่าเห็นพระโพธิสัตว์ผู้ดํารงอยู่ในดาวดึงพิภพที่ปรารถนาจะเกิดในเทวโลกชั้นสูง <c oughs> แสดงว่าพระโพธิสัตว์นี้ดํารงอยู่ในดาวดึงสา 36, 36ิบล้านปี อยู่ในดาวดึงสามสล้านปีแล้วก็จัะจุติแล้วจะแต่ว่าปรารถนาจะเกิดสวรรค์ชั้นสูงๆต่อไปคือคนมีบุญนี่มันเป็นอย่างไรล่ะมันเลือกเกิดได้นะหมดหมดจุติจากที่นี้ต่ อ, ต, อ, ต, อ, ต, อต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องมาโลกมนุษย์อีกได้หลายกลับมันนะแปลว่าสามารถปฏิสนธิ ท, ที่ที่สูงๆสู ง, ๆ, สงๆต่อไปเรืยเพราะบุญมากแต่ว่าคนบาปมากเนี่ยนะก็ยังว่าไปได้ไม่กี่นาทีของสวรรค์ก็จุติแล้วอย่างนั้นนะก็สุดแท้แต่ว่าบุญมากหรือบาปมากในพระพุทธศาส์ ความที่ท่านมีบุญเนี่ยนะท่านเลือกที่จะเกิดในเทวโลกชั้นสูงๆต่อไปใจคิดไว้อย่างนั้นแต่ท้าวสักกะก็ไปตรัสว่าสหายเมื่อท่านเกิดในมนุสโลกบารมีของท่านจักบริบูรณ์เน่ยนะนะให้คนขอร้องนี่ก็ขอร้องแบบชนิดที่เรียกว่าอะไรนะจำต้องทํำะนะปฏิเสธไม่ได้เลยถ้าเขาฉลาดบอกมากที่เรียกว่าฉลาดขอร้องอ่ะนะเออถ้าท่านไปเกิดถ้าเป็นเทวดามจะสร้างบารมีอะไร เพราะฉะนั้นถ้าท่านไปเกิดเป็นมนุษย์ท่านจะบารมีของท่านจากบริบูรณ์ความเจริญก็จะมีแก่มหาชนเพราะท่านไปเกิดก็เป็นไปเพื่ออาจจะไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนพนางจันทาเทวีอัคราเหสีของพระเจ้ากาสีนี่ปรารถนาพระโอรสขอให้ท่านจงอุบัติในพระคันของพระนางนั้นเถิดพระโพธิสัตว์ก็รับพระเทวะดํามรดกนะก็เออก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยว่าถ้าไปเกิด เป็นมนุษย์ก็จะสร้างบารมีสงเคราะห์มหาชนเป็นต้นก็เลยถือปฏิสนธิในพระครันของพระนางจันทาเทวีเทพบุตรห้าอสหายของพระโพธิสัตว์นั้นก็สิ้นอายุจุติจากพรหมโลกคือปฏิสนธิในครันของพระยาอมารทั้งหลายของพระราชานั้นพระเทวีทราบว่าพระนางนี้ตั้งครันและก็กราบทูลให้พระราชาทราบพระราชากราบสั่งให้ดูแลพระคัน พระเทวีนี้ก็ทรงคันครบกำหนดประสูติพระราชบุตรสมบูรณ์ด้วยบุ ญ, ญลักษณะทุกประการในวันนั้นนั่นเองเรือนของพวกอมาตะทั้งหลายกุมาร5้า้อยก็เกิดพระราชาฟังสดับแม้เรื่องทั้งสองประการก็คิดว่ากุมารเหล่านี้จงเป็นบริวารโอรสของเราแล้วก็ส่งแม่นมห้าร้อยและก็เครื่องประดับให้กุมารเหล่านั้นอีกห้าร้อพระราชาก็สรงให้แม่นม6กสิคนน่ยนะ เป็นแม่นมที่นมไม่ยานเกินไปเป็นต้นเนี่ยเอาให้ไปเลี้ยงลูกเราว่าอะไรนะต้องหาแม่นมที่ทรงลักษณะพอดีเนี่ยนะเอาไปเลี้ยงลูกไม่งั้นเดี๋ยวก็มีโทษแต่ว่าในในคำพีท่านอธิบายไว้เยอะเนี่ยในในอัตตกระาชาดกเช่นว่าถ้าแม่แม่นมสูงเกินไปจะเป็นยังไงต่ำเกินไปเป็นยังไงเป็นต้นเนี่ยเขาจะพูดถึงลักษณะหมดเลย แล้วก็ ท, งทรงทำรรสักการะใหญ่แก่พระโพธิสัตว์ก็ประทานพรแก่พระนางจันทาเทวีลูกของเธอเนี่ยดีเหลือเกินเนี่ยน่ารักมากวันฉันให้พรเธอพระนางจันทาเทวีก็รับพอรอขอรับแล้วก็ฝากพระองค์ไว้ก่อนเมื่อถึงเวลาอันสมควรจะขอวันหลังเราก็ให้พรไว้แล้วนะพระกุมารก็เจริญด้วยบริวารใหญ่ลําดับนั้นแม่นมก็แต่งพระกุมารพอมีอายุได้หนึ่งเดือนก็นําเข้ามาเฝ้าพระราชา พระราชาเนี่ยนะก็ดูพระโอรสเนี่ยน่ารักประสมกอดพระกุมารประทับนั่งบนเปลา่าตอนนั้นก็โอ้ยดีใจกับพระโอรสมากเนี่ยนะแต่ก็กําลังนั่งในโรงวินิจฉัยนะกระศาสตร์สมัยก่อนนี่ต้องวินิจฉัยคดีเองเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็มีโจรสี่คนเนี่ยถูกนํามาให้ทรงพิพากษาโจรสี่คนนั้นคนที่หนึ่งพระราชาตัดสินให้เคี่ยนด้วยหวายมีน้ํำพันครั้งสั่งเคี่ยนพันครั้งเนี่ยนะอีกคนหนึ่ง สั่งให้ใส่โซ่ตรวนและเข้าเรือนจำอีกคนหนึ่งสั่งให้เอาหอกทิ่มบนร่างกายบอกเอาเอาไปแทง อ, อีกคนหนึ่งเอาไปเสียบเหลาสี่คนพอดีพระโพธิสัตว์พอฟังคําพิพากษาของพระบิดาก็เกิดสลดใจคิดว่าโอ้หน้าเศร้าพระบิดาของเราเนี่ยนะอาศัยความเป็นพระราชากระทากรรมอันจะนําไปสู่นระกกรรมนี้เป็นกรรมหนัก โอ้ยสงสารพ่อมากเลยนะโอ้ยพ่อเราเนี่ปฏิบัติตัวทำเนี่ยพ่อเดินทางไปนระกชัดๆเลยว่างั้นรุ่งขึ้นพวกแม่นมก็ให้พระโพธิสัตว์บรรทมเหนือเสีสายญาติที่ตกแต่งไว้ภายใต้สเวตฉาชัดนะนอนข้างบนก็มีร่มมีสเวตตาตัดใช่ไหมนอนสเวตเนี่ยแปลโดยศัพท์สเวตตาตัก็คือฉัดขาวร่มขาวเนี่ยนะพระโพธิสัตว์บรรทมหลับไปหน่อยหนึ่งลืมตาทอดพระเนตรดูสเวตตาตัเห็นสิริสมบัติใหญ่โต ทีนั้นพระโพธิสัตว์แม้ปกติก็ทรงสลดท้าทยอยู่แล้วนะเมื่อวานเมื่อเมื่อกลางวันเนี่ยที่พ่อพ่อสั่งสั่งสี่ประการให้หนึ่งสั่งเขีย้ยมสองสั่งเข้าคุกสามสั่งเอาหอกแทงสี่เสียบหลาวแม้ใจเนี่ยก็สลดสังเวชหนักอยู่แล้วนะไม่สบายใจอยู่แล้วละ่ะก็กลัวขึ้นอยู่แล้วพอมาเห็นฉัดเข้าก็เลยรำเพงว่า เราเนี่ยมาสู่พระราชวังเนี่ยนะก่อนหน้านี้เรามาจากไหนนาะลึกชาติได้ก็อ น, นอนระลึกชาติตายก็รู้ว่ามาจากเทวโลกนะพึ่งมาจากสวรรค์ก็ระลึกต่อไปอีกอนะระลึกไปเรื่อยๆก็เห็นว่าเอ้าก่อนจะมาสวรรค์นเนี่ยมาที่จากไหนเคยหมกไหมยอยู่ในอุตสุธารก8ปดหมื่นปีก็ตรวจดูไปอีกก็เห็นความที่อ่าก่อนที่จะมาอยู่ในนรกมาจากไหนก็มาเป็นพระราชา ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าเรานิครองราชสมบัติอยู่สองร้อปีนะท่านในท่านในชาดกถ้าจําไม่ผิดก็ยี่สิบปีนะครองราชสมบัติอยู่แต่ตรงนี้บอกว่า200ปีก็หมกไม่อยู่ในอุตสุธารกแปดหมื่นปีบัตรนี้เราเกิดในเพราะเราเกิดในเรือนโจนนี่เองนะแหมยี่สิปีเนี่ยนะเป็นพระราชายี่สิปีตกนรกแปดหมื่นปีนี่คุ้มไหม โอ้ขาดทุนยับเยินเลยนะถือว่าเลวร้ายมากนะอำนาจอันนี้ช่วยอะไรได้เนี่ยนะพระบิดาของเราเนี่ยนะเมื่อวานก็นำโจรมาสี่คนแล้วก็ตรัสพระดารัสรุนแรงเห็นตามนี้อันนี้พ่อของเราเนี่ยเหตุให้ตกนรกทั้งนั้นเลยเราไม่ต้องการราชาสมบัติที่จะนำความพินาศอย่างใหญ่หลวงมาให้แก่เราเพราะฉะนั้นความไม่ต้องการราชาสมบัติก็มีขึ้นอย่างแรงกล้าว่า เราจะพ้นไปจากเรือนโจร น, นี้ได้อย่างไรนาะเนี่ยนะคำว่าเรือนโจรก็คือจะถูกลงโทษอีกมากมายนานับประการครังนั้นเทพธิดาองค์หนึ่งก็ปลอบพระโพธิสัตว์บอกว่าพ่อเตมียักุมารอย่า ก, กลัวไปเลยความปลอดภัยจกมีแก่ท่านเพราะอธิษฐานองค์สามประการหนึ่งใบสองหนวกสามเปลี่ยนเนี่ยนะอธิษฐานองค์สามเธอก็เลยให้อธิษฐานองค์สามประการตลอด16ปีด้วยกักความอธิษฐานที่ไม่ หวั่นไหวเนี่ยนะเป็นการอธิษฐานอย่างไม่หวั่นไหวและมั่นคงพระโพธิสัตว์นี้ทรงตั้งอยู่ในยะที่เทพพธิดาให้ไหว้ก็แสดงพระองค์ด้วยความเป็นใบ้เป็นหนวกและเปลี้ยตั้งแต่ปีที่ประสูติพระมารดาพระบิดาพวกนางนมเป็นต้นก็คิดว่าเอ๊ธรรมนาปลายคางของคนใบ้ช่องหูของคนหนวกมือเท้าของคนง่อยเปี้ยไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยดูลักษณะไม่เข้าองค์ของอะไรนะ ไม่ใช่คนพิการนะลักษณะแบบนี้เอ้เรื่องนี้จะต้องมีเหตุก็เลยพากันทดลองทดลองว่าเราจะทดลองก่อนทดลองด้วยเรื่องอะไรเรื่องน้ำนมเนี่ยนะเรื่องน้ำนมก็คือไม่ให้นมตลอดวันดูที่จะร้องไหมถ้าใบ้มันต้องร้องสอิถ้าไม่ใบ้มันก็ร้องนะก็แกล้งให้อดนมทั้งวันเลยนะระมานไม่ได้นมก็ซี่แต่ก็ไม่ร้องนะี่ยพอหิวแต่ก็ไม่ร้อง จนแม่เนี่ยอ้โหสงสารลูกมากก็ ป, ปกติแม่นมใช่จะต้องดื่มน้ําน้ํานมที่แม่นมแต่แม่นมนี่แกล้งไม่ให้ดื่มน้ํานมเกือบทั้งวันนะเห็นลูกก็สงสารก็ให้ให้ดื่มน้ํานมซะเองเนะก็ทดลองอยู่อย่างเนี้คือนมเนี่ยได้ดื่มนมบั่งไม่ได้ดื่มนมบั่งอยู่ปีหนึ่งเต็มๆจนกว่าจังกับเด็กเลยนะได้ดื่มบ้างไม่ได้ดื่มบ้างเห็นไหมว่ากรรมที่เคยที่จริงเนี่ยนะไอ้ตรวนี้มันเป็นเศษกรรมที่เมื่อก่อนเป็นพระราชา บางทีก็สั่งตัดอาหารสั่งอะไรคนอื่นใช่ไหมตัวเองก็เลยพอเป็นเนี่ยอิ่มมั่งไม่อิ่มมั่งกินมั่งไม่กินมั่งเป็นต้นเนี่ยนะเคยไปทำกรรมพวกนี้เอาไว้เรื่องเคยทำมั่งหรือเปล่าอาจจะทําก็ได้เนี่ยทไม่ค่ยกินเลยสรุปว่าตลอดระยะหนึ่งปีเนี่ยนะได้ดื่มมั่งไม่ได้ดื่มมั่งอิ่มอิมอดอดตลอดนะเป็นเด็กที่อิ่มอิมอดอดตลอดเพราะเคยทํากรรมอันนี้มา เสร็จแล้วผ่านไปหนึ่งปีก็บอกว่าออธรรมดาเด็กถ้าเด็กอายุหนึ่งปีไปแล้วชอบอะไรชอบขนมและชอบของเคี้ยวพะะนันก็เอามาล่อเอามาวางเอาต่อหน้าเป็นต้นเนี่ยนะดูซิเอามาให้เด็กพวกนั้นนมาแย่งกันต่อหน้าท่านก็นอนใช้แกล้งเป็นใบเป็นต้นไม่ว่าจะบางทีมเนี่ยพออายุขึ้นมาหน่อยก็เรื่องผลไม้เรื่องของเล่นเรื่องอาหารทําทดลองอยู่อย่างนี้ตลอด5ปีก็ไม่เห็นช่องทางหลังจากนั้นก็ บอกว่าถ้าหกปีไปแล้วย่อมกลัวไฟกลัวช้างกลัวงูกลัวคนถือเงื้อดาบกลัวคนจะมาฆ่าเป็นต้นทํำยังไงใจของท่านก็ไม่กลัวเพราะอะไรเพราะพระโพธิสัตว์รำพึงถึงแต่ภัยที่มีในนรกที่ถึงแต่นรกจึงไม่หวั่นไหวด้วยเห็นว่านรกน่ากลัวยิ่งกว่านี้เป็นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าเนี่ยนะโอ้ถ้าทนตรงนี้ไม่ได้แลจะทนในนรกได้ยอย่างไงเนี่ยนะ คือท่านคิดนะนะท่านเห็นเหตุเหล่านี้เนื่องจากว่าท่านเนี่ยระลึกชาติได้จริงอยู่ท่านเป็นเด็กแต่ว่าปัญญาของท่านไม่ได้เป็นเป็นเด็กเมื่อปัญญาของท่านไม่เป็นเด็กท่านระลึกชาติได้ไม่รู้กี่ล้านปีอะนนท่านคิดเหตุการณ์ได้เป็นพเป็นล้านล้านปีท่านไม่ได้คิดแค่วันสองวันท่านคิดได้เป็นล้านล้านปีแล้วก็ท่านรู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเพราะฉะนั้นท่านจึงทนได้แม้แต่เป็นเด็กอายุหนึ่งขวบสองขวบในชาตินี้ท่านก็ทนได้ ร่างกายของท่านอายุขวบสองขวบสามขวบเป็นต้นก็จริงแต่ปัญญาของท่านเท่ากับคนมีอายุเป็นแสนปีเอาเข้าไปเป็นล้านหลายล้านปีะนะแต่ปัญญานี้เท่ากับคนอายุหลายล้านปีเพราะนนั้นท่านจึงมีความอดทนนี่สูงมากสรุปทดลองอย่างไรก็ไม่เป็นผลในที่สุดก็ให้อ่าไม่กระทั่งเล่นมหรสพให้ทําเสียงกลองอุ ก, กทึกครึกโครมทําอย่างไรก็ทําเป็นไม่สนใจไม่รู้เรื่องทั้งหมดทั้งที่ททได้ยินเป็นต้นมีอยู่ครั้งหนึ่ง อันนะั้นแบบให้อยู่ในที่มืดแล้วให้มันสว่างพึบทีเดียวให้ตกใจก็ใชอ้อีกันนะกลัวก็ไม่กลัวตกใจก็ไม่ตกใจเอาแล้วแกล้งมันเนี่ยก็เอาน้ําอเอาน้ำอ้อยเนี่ยมาทาตัวแล้วให้แมลงวันเกาะดูสิจะทนได้ไหมท่านก็ทนได้อีกเหมือนกันนะโอ้ทาได้ไงนะของเราขยุกขยิกขยุกยิกตายเลยแนละ้วแต่นี้ท่านทนได้อะไรนะอย่าว่าแมลงวันมาตอมเลยให้นั่งนิ่งๆดูเถต่ไปเห็นเด็กเนี่เห็นชาเลยปั๊บๆขยุกขยิบขยุกขยิบเลยนะเด็กนะ แล้วก็ไม่ให้อาบน้ำก็ดูซิว่าจะทำยังไงแกล้งให้นอนจมเกลือกล่อนรั่วอยู่ในอุจจาระปัสสาวะท่านก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็หัวเราะเยาะเย้ยดุดาว่าเนี่ยนีย่เห็นไหมจมอยู่ในอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นท่านก็ไม่อะไรแล้วบางทีเนี่ยก็แกล้งย่างกันนะแปลว่ า, า, นะห า, วาให้มันร้อนร้อนเผาให้ร้อนสรุปด้วยอุบายหลายอย่างพระโพธิสัตว์ก็คิดถึงแต่ในรกเท่านั้นก็เลย ไม่ทรงทําลายความตั้งใจไม่ไหวไม่แต่คิดว่าไม่หวั่นไหวอะไรเลยนี่อธิษฐานสามอย่างทดลองอย่างนี้จนอายุได้15ปีครั้นอายุ16ปีแม่นมก็คิดว่าเออขนง่อยขนเปรี้ยก็ตามนะสรุปนะ ม, มันจะบ้ามันจะบ้าหใบมันจะเปรี้ยยังไงก็ตามยังไงมันก็ต้องอะไรนะเราคิดถึงว่าอายุ16ปีแล้วจะคิดเรื่องเรื่องผู้หญิงแล้วก็ต้องกําหนัดในสิ่งที่ควรกําหนัด อาจจะไม่อยากเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นยอมไม่มีเพราะฉะนั้นก็เลยหานักนักักฟ้อนน้องเอิงรำเนี่ยมาเสร็จแล้วก็ให้น้ำหอมอาพระกุมารประดับเหมือนเทพบุตรขึ้นบนปราสาทเขารูปราา่างจริงๆของท่านเป็นคนรูปงามมากนะแต่ว่าแกล้งนะไม่ยกมือยกเท้านะจริงถ้าเป็นคนอื่นในขาลีบไปหมดแล้วนะแต่นี่ก็ผู้มีบุญซะอย่างนะ ในที่สุดกแ็แต่งวังให้งดงามเหมือนเทพวิมานหาแต่หญิงที่มีสตรีล้วนรูปร่างงดงามแพ่วๆไปด้วยเสน่เปรียบเหมือนเทพอับสอนคอยบำเรอพวกเจ้าจงให้พระกุมารอภิรมด้วยความเป็นของเที่ยงเป็นต้งไปปลอบอกปลอบใจถ้าใครทําสําเร็จคนนั้นจะเป็นอคัครมเหสีกวางันนะ ก, ก็ไปทีนี้พระโพธิสัตว์ทำยังไงท่านฉลาดมากท่านมีปัญญาก็เลยแกลง้งแกลง้งไแกลง้กลง กลั้นลมหายใจเข้าออกทำเป็นตาเหลือกเนี่ยนะเหมือนจะตายแข็งตัวนี่แข็งเย็นจะเยือกสตรีเหล่านั้นเนี่ยพอไปจับปั๊บเนี่ยโอ้ตัวเย็นตายแนย่ผีหลอกแล้วงานเนี่ยนะหนีกันหมดเลยพวกนางรําเนี่ยหนีหมดเลยนะไม่ใช่มนุษย์จับพยักษ์แน่นอนอะนะเพราแกล้งเลนะท่านแกล้งเป็นะนะพวกนะักฟ้อนทั้งหลายเลย ว, วิ่งหนีไปหมดสรุปพระมานาบิดาก็ไม่สามารถจัดทดลองใหญ่ทั้ง16ครั้งเนี่ยนะสิปีไม่ประสบความสําเร็จในที่สุด ไอ้เ ก, กี่ยวกับทดลองเล็ก ๆ, ๆน้อยๆอีกเป็นเป็นร้อยครั้งอ่ะนะแต่ว่าไอ้ใหญ่ๆเนี่ยอยู่สิบหกครั้งพออายุสิบหกปีเนี่ยนะแม่ก็มาขอพ่อแม่ก็มาขอร้องหลายว่าแต่มียะลูกกุมารลูกรักพ่อแม่รู้นะว่าลูกไม่เป็นใบร้อรอกเพราะว่าปากหูและเท้าอย่างนี้ไม่ใช่ของคนใบ้คนหนวกคนง่อยเปรี้ยเลยลูกนี้เป็นลูกที่พ่อแม่ปรารถนาจะได้มาลูกจะให้พ่อแม่ต้องพินาศเลยเนี่ยนะ ก็คำคอรหานินทากันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าลูกของพระราชาเนี่ยทั้งหนวกทั้งเปรี้ยเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นช่วยปลดเรื่องคำคอรหาจากราชสำนักทั่วชมพูทวีปด้วยเถอะเนี่ยนะเสียชื่อเสียงเนี่ยทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดแล้วเนี่ยนะแล้วไม่ใช่เมืองเดียวนะทั่วชมพูทวีปไปหมดภรกุมารแม้แต่พ่อแม่จะคอร้องยังไงก็นอนทําเป็นเหมือนไม่ได้ยินได้ยินนะแต่แกล้งเป็นไม่ได้ยิน ในที่สุดพระราชาก็สั่งให้บุรุษผู้ฉลาดตรวจ ด, ดูลักษณะตรวจ ด, ดูช่องหูตรวจ ด, ดูช่องลิ้นเอ๊ะมันอะไรกันแน่ตรวจ ด, ดูมือดูเท้าในที่สุดพวกอมัดพวกโหนเนี่ยนะกราบทูลว่าบัตรนี้ผู้ชํานาญในการถ่ายลักษณะกล่าวว่าถ้า พ, พระบาทเป็นต้นของกุมารเนี่ยเหมือนของคนไม่ง่อยไม่เปลี้ยเป็นต้นพระกุมานี้จะไม่เป็นง้อยเปลี้ยไม่ใบไม่หนวกก็จริงแต่เป็นคนกาละกะนันีเพราะฉะนั้น แล้วเมื่อก่อนพวกท่านบอกว่านี่ลูกของเราจะเป็นผู้เลิศประเสริฐอย่างงั้นประเสริฐอย่างนี้บอกว่าตอนนั้นพูดให้เอาใจนะพูดเอาใจเฉยๆหรอกนะพวกนั้นก็ไอ้คนที่ปรึกษานะ่ยมันก็ว่าไปได้เรื่อยว่าได้ทุกอย่างจริงๆนะที่ปรึกษาเนี่ยถามอะไรตอบได้หมดอ่ะนะตอบผิดตอบถูกไม่้วยอยากว่าอะไรก็ว่าไปเรื่อยมันที่ปรึกษาเนี่ยเราต้องฟังให้ฟังหูไว้หูเหมือนกันนะใครครวรให้มันดีเหมือนกันในที่สุดถ้าหากว่าพระองค์ให้คนการกันีอยู่ในวงังจะมีอันตรายสามอย่าง 1. นึงพระราชาจะตายสองสเวตฉัติจะทำลายพระมเหสีก็อันตรายด้วยเหมือนกันสรุปนะเอาในเรื่องใหญ่ๆมาคูหมดเลยนะู่ด้วยชีวิตของพระราชาของพระมเหสีและราชสมบัติแต่ในวันประสูติเพื่อไม่ให้พระองค์เสียพระทัยก็เลยกล่าวว่ากุมารเนี่ยนะเป็นคนมีบุ ญ, ญลักษณะครบถ้วนในที่สุดพระราชาก็เลยกลัวภัยอันตรายสามอย่าง บอกพวกท่านจงให้กุมานั้นบรรทมในรถอวะมังคนนําออกจากประตูทางหลังเอาไปฝังในป่าช้าผีดิบไปพระโพธิสัตว์ฟังคำนั้นก็ดีใจและดีใจว่า ง, งานนี้เราเนี่ยประสบความสำเร็จอดทนมาตั้ง16ปีที่พระองค์ตรัสว่าเราอธิษฐานองค์สามประการยี่สิปีครั้งนั้นเสนาบดีเป็นต้นตรวจมือเท้าลิ้นและช่องหูของเรา แล้วเห็นความไม่บกพร่องของเราติเตียนว่าเราเป็นคนกาลกณนีที่ชาวชนบทเสนาบดีและปุโรหิตทั้งปวงร่วมใจกันทั้งหมดพลอยดีใจในการรับสั่งให้นำเราไปทิ้งเราได้ฟังความประสงค์ของเสนาบดีเป็นต้นนั้นแล้วก็ร่าเริงดีใจเราประพฤติตบะมาเพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์อันนั้นสาเร็จแล้วแกเราในที่สุดเนี่ยนะที่บอกว่า เพื่อปฏิบัติทำเป็นคนไม่ใบเป็นต้นเพื่อประโยชน์ประโยชน์นั้นก็สําเร็จแล้วเนี่ยนะก็ดีใจร่าเริงสมความประสงค์ดีใจด้วยการไม่ไตร่ตรองะนะจีเจิงๆแล้วเนี่ยดีใจมากเนี่ยดีนะพระราชาเนี่ยไปเชื่อคนยุคนแย่เข้าเราประสบความสําเร็จแล้วว่างั้นเมื่อพระราชามีพระบัญชาให้ฟังพกุมารลงในแผ่นดินอย่างนี้แล้วพระนางจันทาเทวีได้ฟังเรื่องราวนั้นเข้า ก็เข้าไปเฝ้าพระราชาทูลว่าข้าแด่พระองค์พระองค์นั้นทรงประทานพรให้แก่หม่อมชันหม่อมชันยึดพรเอาไว้รับพรไว้แล้วนะแต่ยังไม่ได้ขอพรมาเัินขอพระองค์โปรดประทานพรนั้นให้แก่หม่อมชันเถิดพระราชาก็บอกว่าเธอจงรับเอาพรไปพระเทวีก็ขอพระองค์ประทานราชสมบัติให้แก่อรสของหม่อมชันนะขอราชสมบัติให้ลูกเลยเฮ้ยอรสของเจ้ามันการลกันนี้เราไม่เราไม่อาจจะให้ได้ดอกบอกว่า ถ้าพระองค์ไม่สามารถให้ตลอดชีวิตก็ให้สัก7ปีเธอเจปีก็ให้ไม่ได้6ปีห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่งปีก็ไม่ได้เจเดือน6 4สหเอ่อนึ่งเดือนก็ไม่ได้เอาครึ่งเดือนก็นแล้วกันบอกไม่ได้เจวันก็แล้วกันบอกอ่ะเจวันนี่พอทนได้ประานนเพราะฉะนั้นให้ลูกของเธอเนี่ยเป็นพระราชาอยู่เจวัน พระเทวีก็ตกแต่งพระโอรสให้ตีกลองเป่าประกาศในพระนครวันนี้เป็นราชสมบัติของเตมียกุมารแล้วให้พระโอรสขึ้นคอช้างยกสเสวตชัตดให้พระโอรสกระทําประทักษิณพระนครเสด็จกลับมาแล้วก็บรรทมณสิริสายญาที่ตกตองแล้วขอร้องลูกนะขอร้องพระเตมียะอยู่ตลอดคืนว่าพ่อเตมิยะแม่นอนไม่หลับมา16ปีแล้วก็เพราะอาศัยลูก ร้องจนในตาของแม่นี่บวมหัวใจของแม่เนี่ยจะแตกด้วยความโศกแม่เนี่ยรู้ว่าลูกไม่ง่อยไม่เปลี้ยเป็นต้นลูกจะทําทให้แม่หมดที่พึ่งเลยอ้อนวอนขอร้องอย่างนี้หกวันท่านก็ใจใจเกือบอ่อนนะนะจันท่านก็บอกโใจเกือบอ่อนสงสารแม่แต่ก็แม่เกือบสําเร็จแล้วโอ้โทษนะแม่จะให้แม่ร้องหน่อยนะ แต่ถ้าเป็นคนธรรมดาทท่ทไวไยคนอะไรจะใจดำขนาดนี้นะมนไม่ใช่ใ จ, จดำรอกนนะคือท่านมีปัญญามองการไกลออกนะในที่สุดวันที่6เนี่ยพระราชาก็ตรัสเรียกสุนันทสารถีมาแล้วก็ตรัสว่าพรุ่งนี้เจ้าจงนำพระกุมารโดยรถอวะมงคลออกไปแต่เช้าตรู่แล้วก็ฝังที่แผ่นดินที่ป่าช้าผีดิบ ก, กลบให้เรียบแล้วก็กลับมา พระเทวีก็ฟังอย่างนั้นก็ตรัสลูกเอ้ยพระเจ้ากาสีมีบัญชาให้ฝังลูกที่ป่าช้าผีดิบในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลูกก็จะถึงความตายแล้วพระโพธิสัตว์ก็ดีใจว่าเต็มียาที่ทํามาสิบหกปีเนี่ยจะถึงที่สุดแล้วสมความปรารถนาแล้วั้นแต่พระไทยของพระมารดาพระโพธิสัตว์นั้นได้เป็นมีเหมือนอาการแตกสลายก็ ค, คือลูกไม่ดูลักษณะแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแล้วลูกจะถูกฝังแล้วแม่จะคิดยังไงเสียใจมาก เมื่อราตรีนั้นผ่านไปสารธีก็นํารถมาแต่เช้าตรู่จอดไว้ที่ประตูเข้าไปยังห้องอันมีสิริทูลว่าฆ่าแต่พระเทวีขอพระองค์อย่าทรงพิโรธหม่อมฉันเลยหม่อมฉันทําตามพระราชบัญชาแล้วก็ผลักพระเทวีด้วยหลังมืออานานะปถมกอดพระโอรสออกแล้วก็อุ้มพระกุมารลงจากปราสาทพระเทวีก็ทรงทุบพร ะ, ะทุบพระอุระทุกบอก อ, กอะนะกัรแสงร้องให้ครําครวญด้วยเสียงดังแล้วก็ล้มลงที่พื้นกว้าง พระโพธิสัตว์มองดูพระมารดาก็คิดว่าเมื่อเราไม่พูดมารดาก็จะเศร้าโศกสุดกำลังแม้อยากจะพูดแต่ก็อดกลั้นเอาไว้ได้เห็นแม่สลบลงนี่ไหมอยากจะพูดเหลือเกินแต่ก็ไม่กล้าพูดคิดว่าหากเราจะพูดไอ้ที่เราพยายามมาสิบหกปีเห็นจะเป็นโมฆะแปลว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยทนมาตั้งสิหกปีแบบนั้นแต่เมื่อเราไม่พูดจะเป็นปัจจัยแก่ตัวเราและแก่พระมารดาพระบิดา ท่านเล็งอนาคตออกกันนะในที่สุดก็คิดว่าสารธีคิดว่าเราจะนำพระโพธิสัตว์ขึ้นรถแล้วก็เล่นรถไปมุ่งไปทางประตูทิศตะวันตกแต่รถกลับมุ่งไปทางทิศตะวันออกทุกอย่างทําตรงกันข้ามรถออกจากพระนครด้วยอนุภาพของเทวดาเล่นไปประมาณ3โยต์ไปรประมาณ48กิโลพระโพธิสัตว์นั้นก็ทรงยินดีอย่างยิ่งณนะแนวป่าณนะที่นั้นนะคือป่าทุกแข่งเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เน้แนแล้วล่าเริงสารธีก็คิดว่าแต่ป่าช้าผีดิบ สารทีคิดว่าที่นี้ก็เลยจอดรถไว้ข้างทางลงจากรถเปลื่องเครื่องประดับของพระโพธิสัตว์ออกห่อเอาไว้ก็ถือเอาจอบเริ่มขุดขุดลุมในที่ไม่ไกลนักอย่างที่พระองค์ตรัสว่าตรัสทบทวนเล่าให้ฟังว่าราชบุรุษทั้งหลายอาบน้ำให้เราทาไล้ด้วยของหอมสวมราชมงกุฎราบชาพิเศษแล้วมีฉัดที่บุคคลถือไว้ให้กระทาประทักษิณพระนครดารงอยู่ในสเสวตฉับเจวัน พอดวงอาทิตย์ขึ้นสารถีอุ้มเราขึ้นรถเข้าป่าสารถีหยุดรถเอาไว้นะโอกาสแห่งหนึ่งปล่อยรถเทียมมาพอพ้นมือก็ขุดหลุมเพื่อจะฝังเพื่อจะฝังเราเสียในแผ่นดินเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงถึงประโยชน์ที่ทำได้ตลอด16ปีเนี่ยนะที่ทำได้ยากด้วยที่ฐานบารมีพระองค์ก็ตรัสเป็นสองคาถาสุดท้ายว่า พระราชาคุกคามการอธิษฐานที่เราอธิษฐานไว้ด้วยเหตุต่างๆแต่แมแต่เราไม่ทาลายการอธิษฐานนั้นการอธิษฐานอันนี้เพราะเหตุแห่งโพธิญาณ น, นั่นเองเราจะเกลียดพระมารดาเกลียดพระบิดาก็หามิได้เราจะเกลียดตนเองก็หามิได้แต่พระสัพพัญญุตยานเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงอธิษฐานองค์สามสรุปนะว่าหลังจากนั้น พระโพธิสัตว์เมื่อสุนันทสารธีกําลังขุดหลุมก็คิดว่านี้เป็นการพยายามของเราจึงลุกขึ้นบีบพระหัตพระบาทของพระองค์ทราบว่าเรายังมีกําลังก็เลยคิดจะลงจากรถทันใดนั้นพอวางพระบาทที่วางพระบาทของพระโพธิสัตว์ก็ผุดขึ้นดุจทุงหนังเนี่ยนะเต็มไปด้วยลมตั้งจดท้ายนั่นเองพระโพธิสัตว์ก็เสด็จลงดําเนินไปไปม า, ม า, มาเล็กน้อยก็ทราบว่าเรานี่มีกําลังพอที่จะไปได้แม้ตั้งร้อยโยชต ก็เลยทรงจับรถข้างท้ายแล้วก็ยกขึ้นดุดยานน้อยสำหรับเด็กเล่นเห็นมนะในในพระเตมีใบข้างที่โบดเนะี่ยเขาจะยกะเห็นเห็นพระโพธิสัตว์ยกรถขึ้นด้วยมือข้างนึงอ่ะนะจะจะจ ะ, จะมีตัวอย่างแบบนี้ตามตามอ่านั้นในโบดในศาลาเนี่ยจะเห็นเยอะในที่สุดก็สังเกตเห็นว่าหากสารถีนี้พึงทำร้ายเราเราก็มีกำลังพอที่จะป้องกันอันตรายได้ ก็เลยคิดที่จะตกแต่งพระองค์ขณะนั้นพบของเท้าส ก, ก่าก็แสดงอาการเร่าร้อนเทา้าส ก, ก่าทราเพตก็มีเทวบัญชาตะวิสณุกรรมว่าท่านจงไปตกแต่งพระราชโอรสของพระเจ้ากาศีวิสณุกรรมรับเทวบัญชาแล้วก็ตกแต่งพระโพธิสัตว์นั้นด้วยเครื่องอลังการอันเป็นของทิพย์และของมนุษย์ดุดเท้าสักกะพระโพธิสัตว์ก็เสด็จไปยังที่ที่สารทีกําลังขุดหลุมตรัดว่าดูก่อนสารที ท่านรีบร้อนขุดหลุมไปทำไมดูก่อนสหายเราถามท่านขอท่านจงบอกเราเถิดว่าท่านจักทำอะไรแก่ลุมเพื่อนเอ้ยขุดหลุมทำไมเหมือนสารธีไม่เงยดูหน้ากล่าวว่าพระโอรสของพระราชาเป็นใบเป็นง่อยเป็นเปลี่ยไม่มีความรู้สึกพระราชามีพระบัญชาให้เราเนี่ยฝังพระโอรสนั้นในป่าพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าดูก่อนสารธี เราไม่นวัวเราไม่ใบเราไม่ง้อยไม่เปรี้ยมไม่วิโกนหากท่านฝังเราในป่าท่านพึงทำสิ่งที่ไม่ชอบทำดูก่อนสารธีท่านจงรู้ขาและแขนของเราแล้วก็จงฟังเสียงที่เราพูดหากท่านฝังเราในป่าท่านพึงทำสิ่งที่ไม่ชอบทำนายสารธีก็หยุดขุดล้มแงนดูเห็นรูปสมบัติของพระโพธิสัตว์ก็รู้ว่าเออไม่รู้ว่าเอเทวดาหรือมนุษย์กันแน่ เลยถามว่าท่านเป็นเทวดาเป็นคนทันหรือเป็นเท้าสั ก, กะจอมเทพท่านเป็นใครเป็นลูกของใครเราจักรู้จักท่านได้อย่างไรพระโพธิสัตว์ก็แสดงธรรมว่าเราไม่ใช่เทวดาเราไม่ใช่คนทันเราไม่ใช่เท้าสักกะแต่เราเป็นโอรสของพระเจ้ากาสีที่ท่านจะฝังในหลุมนี้แล้วท่านอาศัยเราผู้เป็นโอรสของพระราชาพระองค์นั้นเป็นอยู่ดูก่อนสารธีหากท่านฝังเราในป่าท่านพึงทําสิ่งที่ไม่ชอบธรรม บุคคลพึงนั่งหรือพึงนอนใต้ร่มไม้ใดไม่พึงหักกิ่งไม้นั้นเพราะผู้ทำลายมิดเป็นคนลามก น, น, นะนะตรงนี้เป็นการแสดงธรรมว่าคนเรามันจะต้องมีความกระตันยูรู้คุณ น, น, นะนะเหมือนอะไรเหมือนกับอย่างว่าคนที่นั่งที่ร่มเงาของต้นไม้ก็อย่าไปหักจะไปทำลายกิ่งของต้นไม้เพราะใครที่ทำลายมิดประทุษร้ายมิดเป็นคนเป็นคนลามกคือคนบาปว่างั้น ใครที่ประทุษร า, ายมิตรทําร้ายผู้มีพระคุณคือคนบาปพระราชาก็เป็นเหมือนกับต้นไม้เราผู้เป็นลูกก็เหมือนกับกิ่งไม้สารถีท่านเหมือนบุรุษที่เข้าไปอาศัยร่มเงาหากท่านฝังเราในปา่าท่านพึงทําสิ่งที่ไม่ชอบทำนะเข้าไปอาศัยท่านอยู่แล้วข้าลูกของท่านก็ถือว่าไม่ดีเท่าไหร่สารถีก็พระโพธิสัตว์ก็วิงวอนในที่สุดก็คุยกันรู้เรื่องนะก็รู้ว่าเออพระโพธิสัตว์จริง เส่แล้ววิงวอนให้พระโพ ธ, ธิสัตว์กลับพระองค์ก็ตรัสถึงเหตุที่ไม่กลับมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อการบวชอย่างเดียวขณะเดียวกันพระองค์ก็เล่าเหตุผลที่ที่ทำเป็นง่อยเปรี้ยใบยอยู่16ปีนะก็เล่าอาดีตชาติให้ฟังว่าเกิดในสวรรค์อยู่36ล้านปีนะอยู่ดาวบดึง36ิกล้านปีก่อนจะมาจากนั้นก็อยู่นรก 80,000 ่นปี แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นพระราชาอยู่ยี่สปีเป็นต้นเนี่ยนะก็เล่าให้ฟังทั้งหมดสารธีก็เลยอยากจะบวชมั่งนะนะเห็นพระราชาเห็นพระเตมียะบวชเออบวชมั่งพระองค์ก็ตรัสว่าสารธีท่านจงนํารถกลับไปแล้วเป็นคนไม่มีหนี้กลับมาเพราะบรรประชาของคนไม่มีหนี้ข้อนี้ฤาษีทั้งหลายสรรเสริญแล้วเนี่ยนะ จริงท่านรู้เรื่องไปหมดเลยนะคนไรเปลี้ยธรรมดาเนี่สงสัย จ, จะปัญญาอ่อนไม่รู้เรื่องอะไรซากอย่างนะแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นในที่สุดสารธีก็กลับไปแจ้งแก่พระราชาสารธีนํารถนําเครื่องอาภร์เข้าไปเฝ้าพระราชาทูลความนั้นให้ทรงทราบ พ, พระราชาคิดว่าเราจักไปหาพระโพธิสัตว์ก็เสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยจัตุรงค์ข้าเสนาข้าวเสนาประกอบด้วยองค์สี่กองทัพช้างกองทัพมา้าเป็นต้นเนี่ยนะ นางสนมและก็ชาวพระนครชาวชนบทพระโพธิสัตว์ก็ส่งสารถีกลับไปแล้วพระองค์ก็ประสงค์จะบวชเท้าสักะทราบวารจิตของพระโพธิสัตว์ก็มีเทวะบัญชากับวิษนุกรรมเทพบุตร์นะวิศณุกัเน้นผู้สร้างนะก็คือเทพบุตรเน้นเกี่ยวกับก่อสร้างว่าเปรมยะบัณฑิตประสงค์จับผนวดท่านจงเนรมิตรอาสม บ, บทเครื่องบริขารของบรรปะชิตให้แก่พระโพธิสัตว์นั้น วิศนุกรรมนั้นก็ไปเนรมิตอาสมในราวป่าประมาณ3โยนให้สมบูรณ์ด้วยที่พักกลางคืนที่พักกลางวันที่จงกรมจะบกกรณีผลไม้และต้นไม้เนรมิตเครื่องบริขารของบรนประชิตทั้งปวงเสร็จแล้วก็กลับที่อยู่ของตนพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นอย่างนั้นก็ทราบว่าเท้าสักกะประทานให้เนี่ยนะก็อย่าลืมว่าเท้าสักกะคือใครก็คือคนที่ขอร้องให้ให้มาเกิดนั่นแหละเพียงแค่16บปีเองใช่ไหมก็จําได้อยู่แล้ว ก็คิดว่ารละลึกชาติได้เป็นแสนปียังระลึกได้เลยก็แค่16ปีทำไมจะจำไม่ได้เข้าใจเหตุการณ์ได้ตลอดสายนะก็เปลื้องผ้าออกถือเพศเป็นดาบทนั่งบนเครื่องลาดด้วยไม้ยังสมาบัติ8และอภินญาห้าให้เกิดภายในไม่นานเนี่ยนะครับอภิญญาสมาบัตเกิดขึ้นเลยฝ่ายพระเจ้ากาศีก็ไปตามทางที่สารถีทูลเอาไว้สเสด็จไปสู่อาสมพระโพธิสัตว์ก็สนทนาปฏิสันถานเชื้อเชิญให้ครองราชสมบัติ ข้อนี้ก็มีราชสมบัตินี่นะก็มีอย่างเดียวนี่แหละจะให้เอาอารก็จะให้ครองแต่ราชสมบัตินี่แหลนนนะนะก็มีอยู่เท่านี้นะก็คิดว่าสิ่งนี้มันดีที่สุดที่จะยกให้ลูกใช่ไหมนี่เอลูกยังไงลูกก็ไม่เอานะเตมียะบัณฑิตก็ปฏิปฏเสธแล้วก็ทูลให้พระราชาเกิดสังเวชด้วยทำธรรมกถาปฏิสังยุตติด้วยความไม่เที่ยงเป็นต้นก็คือพูดถึงเรื่องตายๆนี่แหละให้พระราชาฟัง เสร็จแล้วก็เล่าถึงโทษของการอันต่ําช้าเศร้าหมองด้วยอาการหลายอย่างนะก็เล่าถึงว่าอดีตชาติท่านเคยเป็นพระราชาเป็นต้นเนี่ยนะก็เล่าเล่าอดีตชาติทั้งหมดให้ให้พระราชาฟังพระราชาก็สลดพระทัยเบื่อหน่ายในการครองเรือนมีพระประสงค์จับผนวดก็ถามอัามาศและสนมทั้งหลายทั้งหมดก็ประสงค์จะบวชหมดเลย พระราชาทราบว่านางสนมกำนัน16ื่นพันคนตั้งแต่พระนางจันทาเทวีและผู้อมามัดเป็นต้นประสงค์จะบวชก็รับสั่งให้ตีกลองเปล่าประกาศในพระนครว่าผู้ใดประสงค์จะบวชในสำนักพระโอรสของเราคนผู้นั้นก็จงบวชเถิดพระองค์ก็ให้ปิดห้องพระคลังทองปเปิดห้องพระคลังทองไปต้นแล้วก็ทรงบริจาคชาวพระนครทั้งสิ้นก็พากันทิ้งตลาดอันยาวเหยียดปิดประตูเรือนเข้าไปเฝ้าพระราชา พระราชาก็ผนวดในสำนักของพระโพธิสัตว์พร้อมด้วยมหาชนอาสมบทสามโยตที่เท้าสักกะประทานพระราชาสามมุนตราสามมลก็สามมันตาบแปลว่าโดยรอบพระราชาโดยรอบบริเวณอย่างอื่นๆเนี่ยนะฟังข่าวว่าพระเจ้ากาสีทรงผนวดก็คิดว่าเราจะยึดราชาสมบัติในกรุงพารากรุงพาราณสีเสด็จเข้าพระนครเห็นพระนครเช่นกับเทพนคร พระราชินิเวศเช่นกับเทพพนิเทพวิมานเต็มไปด้วยรัตนเจ็ดประการคิดว่าจะพึงมีภัยเพราะอาศัยทรัพย์นี้พระองค์ก็เสด็จกลับไปณนะที่นั้นเองพระโพธิสัตว์นั้นทรงสดับการมาของพระราชาเหล่านั้นก็เสด็จไปชายป่าประทับนั่งแสดงธรรมอยู่บนอากาศเป็นเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากะนะเหาะแสดงธรรมได้ะพระราชาทั้งหมดพร้อม ด, ด้วยบริวารก็บวชในสำนักของพระโพธิสัตว์ด้วยประการชนี้ แล้วก็เป็นมหาสมาคมใหญ่มากนะฤาษีนั้นทั้งหมดก็บริโภคผลาผลบำเพ็ญสมณธรรมผู้ใดตรึกถึงอกุศลวิตกมีการมวิตกเป็นต้นพระราชาทราบจิตของผู้นั้นก็นั่งบนอากาศแสดงธรรมนะสอนเหาะแสดงธรรมตลอดเนี่ยนะโอ้ยใครจะไม่เลื่อมใสนะใครจะไม่ปฏิบัติตามรู้วาระจิตด้วยเขาบอกว่าชาติเนี่ยท่านเป็นศาสดานะท่านถือว่าเป็นศาสดานะตั้งรับที่ศาสนา อ๋ะนะอนะท่านเป็นศาสนาอย่างโควินทัจจริยาก็เป็นศาสนาอีกศาสนาหนึ่งแต่นะเป็นศาสนาของพระโพธิสัตว์ะนะมูคะปักขาก็เป็นศาสนาเหมือนกันนะตั้งศาสนาเหมือนกันแต่ว่าศาสนานั้นพระองค์ก็บอกว่าไม่ประเสริฐสูงสุดรองเพราะยังมากก็แค่พรมโลกสู้ศาสนาของพระองค์ที่พระองค์บัญญัติในครั้งสุดท้ายไม่ได้เพราะว่านําไปเพื่อความ พ้ทุกข์เพราะว่าศาสนาเหล่านั้นก็สอนแต่ฌานสมาธิเป็นต้นไม่ได้สอนอารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อะไรในที่สุดเนี่ยนะพวกคนเหล่านั้นที่ฟังในลัที่เหล่านั้นก็ปฏิบัติใน ส, สมาบัติอภิญญาให้เกิดในที่สุดชีวิตของท่านเหล่านั้นก็ไปบังเกิดในพรหมโลกแม้แต่พวกสัตว์เดรัจฉานที่เลื่อมใสในพระโพธิสัตว์เลื่อมใสในหมูรือศีก็เกิดในสวรรค์ชั้นกามาวจรทั้งหชั้น พรหมจรรย์ของพระโพธิสัตย์ยังเป็นอยู่ตลอดการยาวนานก็คือศาสนานี้อยู่ได้นานมากเลยนะสรุปเรื่องว่าเทพพธิดาที่สิงสถิตในครั้งนั้นก็ได้เป็นนางอุบลว น, นาอุบลว น, นาเนี่ยเป็นคนที่เกี่ยวพันกับพระโพธิสัตว์เกือบทุกฐานะทั้งแม่ทั้งเมียทั้งลูกทั้ง เ, เป็นอะไรนะเป็นคนที่ช่วยเหลือคอยดูแลเป็นน้องเป็นทุกอย่างนะพันธ์นอยู่นั้นหมด สารถีคือภาษารีบทเนี่ยนะส่วนใครพระรา ช, ชมารดาบิดาก็คือมหาราชตระกูลมหาราชบริษัททั้งหลายสมัยนั้นก็คือพุทธบริษัทพระเตมียะบัณฑิตก็คือพระโลกกนาาสรุปในเรื่องนี้ว่าท่านมีคุณมาทำอย่างไรบ้างเช่นแหมพอออกคลอดมาได้เดือนหนึ่งก็กลัวนรกแล้วเนี่ยนะถือว่าฮิริโอตปะมีกาลังมาก เพราะความเป็นควรกลัวบาปรังเกยียจราชสมบัติเพราะอะไรทําไมจึงรังเกยียจทรัพย์เป็นต้นเพราะว่าเป็นเหตุให้ไปสู่นรกเป็นต้นนะนะท่านเห็นว่านั่นนะคือประตูนรกก็เลยกลัวในที่สุดก็อธิษฐานเป็นใบ้เป็นง่อยเป็นเปลี่ยนะในที่สุดก็มีเนคขมมะเป็นนิมิต จ, จิตใจนิมุ่งไปเพื่อเจริญสมถะวิปัสสนาเป็นต้นในที่สุดก็ไม่หวั่นไหวในการประชมวิโรที่ปัจจัย นะแม้กระทั่งว่าประสบกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายขนาดไหนจิตใจก็ไม่หวั่นไหวพะะั้นตลอดระยะเวลา16ปีก็เป็น อ, อะนะปีก็อยู่ด้วยความทุกความยากแต่อย่างนั้นจิตใจของท่านก็ไม่ไหวไม่หวั่นไหวบอกว่าผู้ที่มีคุณธรรมเช่นนี้แม้ยังจิตให้เลื่อมใสก็ไม่ไปสู่ไม่ไปอะไรนะผู้ที่ยังจิตให้เลื่อมใสในท่านเหล่านี้ก็ยังไปสู่สุขติได้ จะพูดไปทําไมถึงการปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์นะเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรมพระองค์นี้เป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเพื่อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะพระองค์ก็เป็นศาสดา ข, ของเราเพราะนั้นเราศึกษาข้อปฏิบัติทั้งหลายที่พระองค์ได้สอนมาทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ศรัทธาของเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคง ในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ปฏิบัติธรรมตามคำสอนจนได้ตรัสรู้อริยสัจตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท้่วกันวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้